งานนี้ไป 15 มีนาคมพุทธศักราช 2526 เทปชุดนี้ระบบ ขอเชิญท่านเลือกเก็บสาระคุณค่า กระทำๆต้องย้ำเป็นพหุลีกตาต้องทำให้มากในส่วนที่จะต้องทำให้มากนะ <ม. S 2> ที่มหาวิทยาลัยประทุวีทุกวันเรียนไปตั้งแต่ตัวเล็กๆตัวน้อยๆเปลี่ยนกันวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าจนกระทั่งเรียนบางคน ไปเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเค้าดีของเค้าประสบเค้าก็ทําแม้แต่ทําอย่างนั้นแล้วเรียน คนทํากับข้าวกับน้ําคนกินก็ทําไปอ่าแต่ฤาครูก็กระทําวันแล้ววันเล่าไปเค้าก็ชํานาญเค้าก็ว่าเค้า วันอะไรที่กันพากันทําอ่าซ้ําๆเหมือนกันแต่ในความซ้ําๆนั้นเราต้องให้พัฒนาโดยเฉพาะเราเองเราควรจะพัฒนา ตะกรอเรานี้ควรจะได้พัฒนาได้มีสิ่งที่มันเจริญมันก็อบรมประกอบไป ก็จะพาธรรมอ่าแล้วก็จะแยก ตอนนี้ก็ใจขีดนั้นอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้ถึงขีดนี้ขีดอธิบายเสมอๆนะเอาทีนี้การสร้างสติ ก็คือเราจะต้องพยายามสงบรวมทุกอิริยบทนะ ทรัพย์สายโครงเคล้งขาแขนก็ดูไม่เรียบรู้ตัวทั่วพร้อม จะนั่งก็รู้มีสติรู้เวลานั่งนี่อยู่ใน จะชอบบางคนนั่งแบะจะบึนั่งตามลมฉงกําลังชางอะไรก็ตามใจมันถนัดมันรู้สึกว่ามันสบายท่าเราก็ต้อง จัดการสุดท้ายให้มันเรียบร้อยอ่าเป็นผู้ที่มีความ เรเรเราจะมีสติรู้ สติเราต้องพยายามคุมไม่รู้เสมอจริงๆมันพลิกกายให้รู้ตื่นขึ้นมาแล้วอ่าเรามันพลิกจะเมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องก็ให้รู้ตัวว่าเราเองเรา ปรับจัดตัวณๆอย่างที่ว่าไปนี้นะแม้เรากําลังจะพูดอยู่เราจะต้องกําลังนี่ พอพูดไปแล้วเกิดอารมณ์หน้าตาของเราตอนนี้กําลัง ถ้าผู้ใดมีมีจริงๆเพราะอันจริงๆแต่ก่อนเราฝึกกันมากฝึกกันโดย อ่าถ้าที่ถ้าทางเวลาเดิน เรเราพยายามทาสุขุมอ่าพยายามสุขุมอ่อนโยนเบิก สมณะก็ดูเหมาะสมเร็วเกินไปแล้วไม่ค่อยเข้าท่าๆมันอันนี้ต้องการความเร็วต้องการความเอ่อเอ่อเร่งอะไรที่มัน ก็เป็นการดูท่านะมันเป็นเป็นเป็นความรู้สึกทั่วไปเลยนะคนย่างจะทำนู่น นะหลายคนแต่ก่อนเคยฝึกได้ดีๆเดี๋ยวนี้เลอะไปหมดนะเดี๋ยวนี้ แล้วมันแนบเนียนเรื่อยๆๆๆแล้วมันนี่เป็นสติๆอิริยาบถ 8 เป็นโพธิปักขิยธรรมเราฝึก กายะกายอฤดูองค์ประชุมของตัวนั่งนอนยกม้ายกมือทำน่นทำนี่เป็นกายเป็นกิริยากายลักษณะสติเราก็ การเราทําอย่างนี้มันฝืนนะมัน พอมันได้ไม่ผืนนักมันจะกระทั่งมันเข้าร่องเข้ารอยมันก็จะง่ายมันก็จะไม่ไม่ไม่ มันจริงๆนะมันจริงๆนะเพราะเรามีงานการมากก็ตามเราก็ 7 แล้วสติเป็นตัวหลัก ช่วยตัวเรามากตามที่เรามีปัญญาหรือสมาธิฐิเปอลาเรา เป็นการปฏิบัติสุขาปฏิปทานี่แหละก็ทําให้ได้เรื่อยๆอ่าถ้าผัวว่าเรามี มันตกมันหล่นยังค่อยๆได้ถูกได้ดีอะไรนักคราวต่อพยายามลองดูนะเจ้าเจ้ากรรมชาเรื่องนี้ คือระลึกรู้อยู่ในองค์ประกอบองค์ประชุมที่เรากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยเป็นการเป็นอิริยาบถของเราอยู่ตลอดเวลานี้ให้รู้ตลอดเวลามีสติรู้ว่าโอ้อย่างนี้สมควรนี้มากไปอย่างนี้อะไร ประหยัดไม้ประหยัดมือประหยัดอิริยาบถประหยัดทรัพย์ทางประหยัดนั่นประหยัดนี่ให้มันเข้า นี่เป็น ช่วยจะไปช่วยกันไปเท่าที่เป็นไปได้อ่ามันจะตายจากกันเมื่อไหร่ก็ตายจากกันยังไม่ตายจากกันกันนําพากันไปนี่แหละมีเรี่ยวมีแรงนําพากันได้ธรรมอ่าพูดได้พูดพูดไม่ได้ก็หยุดพูดอ่าพูดไม่ได้จะพูด พอเดี๋ยวนี้ยังหนุ่มยังนั่นอาตมาน่ะแพ้ผมเฉยๆหรอกอืมที่จริงน่ะยังหนุ่มยังนั่นอ่าอ่าจริงๆแพ้ผมเพราะว่าคนบางคนก็อายุแก่ นะยังช่วยยกทุกข์ฝ่ายกันยังได้อยู่ นะ. นะ. นะ, 3 ในอินทรีย์ 5 ใน 5 เนี่ยเมื่อเรา เมื่อเราอบรมแล้วเราอบรมแล้วเช่นเรากรรมฐานของเราว่าเราเองเราเอ่อจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่กินเนื้อสัตว์จะเลิกบุหรี่จะเลิกแต่ง เมื่อเราได้จะเลิกจะละจะเว้นจะขาดจะอะไรองค์ประชุมองค์ประกอบที่ เห็นเลยว่าเอออย่างนี้อย่างนี้มันได้ดีหรือไม่ได้ดี พอสัมผัสแล้วเราก็จะรู้สึกเลยว่าอารมณ์เรา ความจางคลายได้โดยอารมณ์ที่มันสับกัดกลุ้มได้มันไม่เที่ยงนะมันไม่ เราก็จะเข้าใจแล้วก็จะเชื่อถือตนเองขึ้น สมมติสัทธานี่เป็นความเห็นความรู้ความเชื่อจากของจริงความจริงเชื่อความจริงตามความ ช่างมีขามันไม่มีตรงนั้นตรงนี้เอาแต่คุณทํานี่แหละยิ่ง ก็จะรู้ว่าแล้วรู้เริ่มต้นทําได้เห็นอนิจจังเนี่ยท่านบอกว่าพลวิชชาทิฏฐินี่ตามหลักวิชชามีสัมผัสเป็นปัจจัย แล้วเข้าใจด้วยการชนะชนะขึ้นเรื่อยๆมัน ใหม่ๆๆตอนที่พ้นมีชาติทิฏฐิคุณก็จะเชื่อมั่นของคุณเองเออนี่เข้าให ยิ่งทำได้ผลมากขึ้นสูงขึ้นศรัทธาก็จะสูงขึ้นวิริยะก็ควรจะ ถ้าเพียรเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้ตัวเห็นแจ้งสติสติ 4 เนี่ยสติยิ่งจะรู้แยกคายรู้ละเอียดลึกซึ้ง สํบดอินทรีย์ 6 จึงไม่ไม่ได้จึงไม่สํบดอินทรีย์ 6 เพราะไม่แยกทรายนั้นไม่แยก มันทวนกันกับไอ้ที่ว่า 3 กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันระวังระวังเข้าไปด้วยเรื่อยๆจริงๆเลยแล้ว เมื่อละนิพพานเรื่อยๆไอ้ความสะอาดของจิตสติสัมปชัญญะนี่แหละความสะอาดของจิตนี่มันก็ยิ่งโปร่งยิ่งใสยิ่งแข็งยิ่งแรงขึ้นจริงๆเพราะสติ 4 นี่มันก็ลักษณะนี้แหละนะเมื่อเราได้ควบคุมควบคุมย้อน อายุขามินิวรตณอาหารนิพพานมีทุกขฤทธิ์เปเปเปเป 3 เป็นอาหารเรียกว่า 3 สมมุติ 3 นะพอ ความไม่ศรัทธาก็ไม่เกิดความเยียดคายก็ไม่ศรัทธาเป็นอาหารของความไม่ ก็ศรัทธาเชื่อสมาธิกิจจากสัตบุรุษพูดจากสัตบุรุษบอกจากสัตธัมที่เอ่อสัตบุรุษได้อธิบายได้ขยาย สามารถควบคุมเข้าถึงจิตเมื่อควบคุมจิตคุณจึงจะอ่านสติสัพพัญญะออกเมื่อสติสัพพัญญะ โมตตปฏิบัติปทิงติงในตัวกลางนี่สมบัติ 6 สติสัปปชัญญะและแยก 3 อันนี้แข็งแรงนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็จะเกิด สำรวมเวลาการเดินการยืนการนั่งการนอนให้ ระวังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจริงๆเพราะฉะนั้นคุณเห็นเป็นศรัทธาตัวนี้เป็นศรัทธาตัวที่ ได้ครบสัพพรูปฟังสัตตธรรมแล้วก็ 6 มันจึงเกิดการรู้ เกิดแรงเกิดติดเกิดอินทรีย์โอแรงขึ้นมีฤทธิ์ขึ้นมีอำนาจขึ้นมีความเป็นไปได้ขึ้นจริง ซึ่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ถูกควบคุมสงบสํารวมขึ้นต้องมีสติมันจึงจะ นั่นแหละคุณสร้างสมาธิโดยมรรคองค์ 8 โดยโพธิปักกิยธรรมด้วยการรู้ทุกอีรวดแม้ เป็นสมาธิกุสโลฉลาดในสมาธิๆแว้งๆวินๆๆนะก็เป็น ปัญญาสีก็จะเติมขึ้นเรื่อยๆจริงๆเป็นความรู้เป็นปัญญาว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่จะเอาแต่ศรัทธาเฉยๆ ชั่วก็ไปหมดอย่างนี้ชาแล้วก็ไม่ได้เรื่องไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ได้ ก็ต้องปรับต้องปรุงมันไม่งามก็งามขึ้นมันไม่ดีก็ดีขึ้นมันทุจริตก็ประจริตขึ้นสุจริตขึ้นรู้ได้จริงๆแม้แต่ ตรงได้แม้แต่ก่อนนี่มันยากมันเป็นกิเลสๆไม่ต้องง่ายทนได้โดยยากอทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ตนที่มัน ที่เราจะไม่ต้องดูดยาจะไม่ต้องกินเหล้าจะไม่ต้องกิน ข้างนอกคนอื่นเห็นได้เลยว่าแม้ขาดยินเยี่ยมเอ่อจํานวนคน เพราะจรณะ 15 นี่พอได้ปฏิบัติแม้จะจะเป็นกรรมฐาน 1 หรือศีล 1 ดังที่ยกตัวอย่างแต่ เกิดความเชื่อมันสั่งสมลงเป็นความเชื่อสะสมลงเป็นความรู้ตามที่อธิบายในอินทรีย์พละนี่แหละอินทรีย์ 5 พละ 5 คือว่าจริงๆอ๋อ หิริหรือเตปะเราไม่เอาแล้วเราไม่สูบแล้วต่อชั่วนี้และอายต่อบาปนี้ไม่ไม่กินแล้วไก่ไม่กินแล้วเนื้อสัตว์อ่าคุณจะรู้ พอเจอกระทั่งถึงโอดตปาแล้ว มันมั่นใจมันเห็นจริงศรัทธานี่มันสูงศรัทธามัน ได้ทั้งในถึงจิตถัดลอยจิตจิตอ่อนจิตยางเป็นสกายะลดลงจนเหลืออัตตาอัตตานี่เป็นตัว ปหุนี่แปลว่ามากสัจจะหรือปหุสูตรก็แล้วแต่เขาจะบอกว่าสูตรสูตรมันเป็นสูตรหรือสัตถานี่แหละสูตรตักสูตรรู้เขาแปล ปุจฉาจะเห็นได้เลยมันเนื่องกันมันมีบทบาทของกรรมกิริยามันมีบทบาทของสภาวะธรรมนะเวจรณะติดพฤติกรรมของคุณน่ะเป็นความประพฤติคุณได้เลยพฤติกรรม ปฏิกรรมของอุตส่าห์เป็นยังไงคุณมีมั้ยหรือว่าคุณเข้าใจแต่ความหมายเมื่อปฏิบัติมาแล้วจริงๆตัวเจรณะ กรรมฐานแค่นี้เรื่องแค่นี้อย่างนี้เป็นต้นกําลังลดยกตัวอย่าง มีความปัญญานี่ปัญญาไม่ปัญญาขบคิดด้วย เป็นได้ก็รู้จริงๆเป็นไม่ได้ก็รู้จริงๆได้แล้วท่ํา นานช้าปลายเมื่อไหร่เมื่อไหร่สํากระทบสัมผัสจะกระทบสัมผัสแรงขึ้นมากขึ้นยังไงยังไงเราก็ค่อยๆรู้ไปเรื่อยปัญหานอกจากบางทีสตินี่ อ่ามันมีอารมณ์อาการคุณจะรู้พวกนี้ได้ละเอียดยับยับคายมากขึ้น ความแยบคายมากขึ้นมากเป็นความรู้ความเชื่อมั่นอ่าเป็นกัปปะสติวิริยะสติเป็นจรณะอีก 3 ตัวเมื่อกี้ เกิดจริงๆเกิดจริงๆนะเกิดความเพียรเพราะว่ายิ่งเห็นผลยิ่งเห็นเป็นสัจจะคุณก็ยิ่งเห็นดี สงบณ์จึงสํวกอินทรียโพชเนมตัญญุตตาฉาติยานิโยคะเพิ่มขึ้นก็จะเกิดความจริงศรัทธา อาตมาพาเพียรพาเพียรด้วยอีดีบทนั้นนี่การงานโน่นนี่อะไรซะรายเพิ่มขึ้นมันเพียรมันทําได้แล้วมันก็นับวันก็สูงขึ้นนับวันก็เจริญขึ้นด้วยทีนี้ก็สําคัญเรา ยิ่งมันเกินแรงเราเราตัดไปก่อนไม่เช่นนั้นปนปนๆหมดหมดเลยหลักใหญ่หลักเล็กหลักกลางและอธิบายไปเรื่อยๆเพราะก็กําหนดให้เท่าที่ จริยวัตรอีก 4 ข้อสูงขึ้น 4 เลย 15 ครบเลย 15 เลยนะอ่า 1 าน, 2 ฌาน 3 าน, 4 ใน เมื่อประกอบกันแล้วท่านก็ นะ, 4 นะอ่าบุริยะ 1 ฌาน 2 ฌาน 3 ฌาน 4 เพราะปัญญานี่มันนํามันรู้มันที่ 1 เออปราศจากได้นะๆๆได้ก็เป็นฌานแต่ว่าก็จะต้องควบคุมกันมากอยู่นะยังไม่ ต้องให้ตั้งมั่นจนตั้งมั่นจนอ่าไม่ต้องเอาใจใส่มาก จรณะก็ 15 วิชาก็ 8 มาอธิบายก็เกิดจริงเป็นจริงมีอภิญญาทั้ง 9 ทั้ง 8 จริงๆ สอนลงไปเป็นปฏิปันตีเป็นญาณทัศนะเป็นวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะจิตเก่งเป็นมโนมยิทธิแล้วคุณก็จะรู้จริงๆ แต่มันก็ยังไม่โผ่งมัน ไอ้ไม่ได้ก็รู้ว่าไม่ได้เป็นอภาหคตะกรุจนได้ดีอ่าแต่ว่าก็ยังมีดียิ่งดียิ่งดี ยิ่งดีถ้าเผอว่าคุณเข้าใจสภาวะแล้วคุณก็เอามาเทียบเคียงเรามี ถูกต้องหรือผิดก็ไม่ถูกต้องตลักษณ์ไม่รู้กี่หลักกี่หลักนั่นทุกเปลาะทุกเปลาะทุก แล้วมีประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นไม่ต้องไปกังวลกังวานอะไรได้เป็นปกติดี ไม่ใช่อสมาหิตจิตไม่มันได้จนกระทั่งเข้าใจเลยว่า จึงเป็นญาณเป็นเป็นญาณเป็นเป็นวิมุตติอยู่ในนี้หมดเลยรู้ ใครจะว่าไม่ได้เหมือนกับเราไม่ได้เห็นขั้นปล่อยมันได้ คือเป็นๆๆๆขั้นๆถอนถอนจนกระทั่งเราก็ตรวจอาอยู่แยบพรายอยู่เรื่อยแหละเป็นสวะภาพ เขาจะว่าๆแล้วเหมือนกับเราไม่เป็นเราจะทํางานเป็นสมาหิตะเพื่อกูลสร้างสรรค์เหมือนกับคนนี้ไม่มีเหมือน<อ> อาสวะหรือสวะภาพเนี่ยมันเป็นตัวตนอันอานี่เป็นคํากลับคํา เราถอนอาสวะ 1 เราที่ควรจะรู้สอดคล้องกันเป็นอาสวะก็ไม่ได้ถอนหรอกได้เรา ก็ดูออกมันเข้าคล่องว่องไวปราดเปรียวเป็นจึงตั้งมั่นนะ เป็นภาษาเป็นคําพูดคําบอกคุณมีสภาวะดังกล่าวนี้มั้ยมีพฤติกรรมดังนี่เป็นนี้คุณ ไม่เคลื่อนไม่เอาอื่นอีกไม่เพิ่มไม่ถอนอีกสุดท้ายก็เอาแค่นี้ก็พอถ้าจะเอาอื่นก็ต้องเพิ่มเติมก็ต้องแข็งแรงก็ต้องมีอะไรต่ออะไรฝึกปรือขึ้นอีกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขึ้นอีกเพราะงั้นบางคนก็ไปตายน้ําตายได้แค่ ว่าเราจะต้องพยายามเพียรไปเรื่อยๆทําใน มันก็ยังมันจะติดมากกว่าและมันก็ยากกว่าแล้วเลิกกามได้แล้วเราก็ได้จิตที่เป็นอัตตภาพที่สูงขึ้นมาอีกเป็น รู้แล้วว่าหมายต้องต่อสู้คนบางคนถึงบอกไม่เอาได้แค่นั้นแล้วก็แพ้ ต่อแค่ต่อๆก็เราต่อต่อไปภาคเพียนไปยิ่งภาคเพียนยิ่งทําให้มันแนบเนียนมันไม่ง่ายมันยับคลายกว่าจะรู้รายละเอียดละออ ว่างๆแล้วมันก็ลอยมันก็ติดเพราะก็จึงตัวขี้เกียจมันจึงไม่ได้หายง่ายๆอ่า มันไม่อยากขยันต่ออืมเท่าที่บอกว่าก็เป็นอะไรเป็นเล่าก็ขยันมัน จนกว่าเราจะรู้ว่าเออเราปล่อยเถอะหาไอ้ที่มันเป็นกิจการัศนะหาที่มันเป็นหมายจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมันจะรู้งานรู้การรู้ที่เป็น <c oughs> แปลว่าจิตนั้นว่างเฉยๆไม่ไม่พอต้องเป็นการงาน แล้วก็มีหลักแล 4 ดังที่ว่านี้ค่อยๆเสริมหนุนไป แม้แต่ที่เป็นศรัทธาจะเป็น คำว่าปัญญินทรีย์นี่เป็นเป็นบอกแล้วว่าแม้แต่ศรัทธามันก็เริ่มมีปัญญาถอนสวะจริงๆ ปัญญินทรีย์ตัวนั้นจึงจะเป็นตัวตรัสรู้น่ะเป็นสยังอภิญญาของตัว นี่เป็นตัวสุขเป็นตัวสุขอ่าวันนี้ได้ขยายทั้งพยัญชนะและ หละละ